เชาวันนี้สมมติว่าเป็นวันใหม่ของคนรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่วันใหม่ของคนรู้ตัวนะคนรู้ตัวไม่มีวันไม่มีเดือนไม่มีปีนีแต่อากาลรริโกอยู่เนือการเวลาการเวลาเป็นเรื่องของความคิดคิดขึ้นมาก็มีการเวลาถ้าไม่คิดขึ้นมาการเวลาก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเราทงหลายทังจาเป็นต้องรู้จักสมมติตัวนี้ให้ดีเพื่อไม่ให้มันคอบงำเราปฏิบัติไปทุกวันทุกวันใครมาถามเรื่องการเวลาวันนี้วันอะไรกี่คำเราไม่รู้เลยจุดก็จะวิ่งไปดูปฏิทินกันแต่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญก็้ออวกจะ ม, มีอิทธิพลครอบงำเราเมื่อไรคิด ภูมิแต่งขึ้นมาการเวลาก็ปรากฏปัณปรากฏเดือนปรากฏ ป, ปีปรากฏพระอาทิตย์ปรากฏพระจันทร์ปรากฏเต็มอะไรไม่ได้เข้าไปในความคิดอยู่ในความรู้เราสมมุติจิตตัวนี้เป็นว่าเป็นประพัชระผมอาภัสระผมผงใสของมันอยู่แต่พอขาดวิปัสนาปัญญา พ, พระพรุตัวนี้ก็เข้ามาชิมลิ้มของรสของโลกรสของโลกคือรสแห่งภัตตา กำเนิดของโลกในอาคารเยซูท่านาวาไว้ดีๆแต่ความจริงนั่นคือปรมัตต์แต่คนตีไม่ออกก็ไปเชื่อกำเนิดของโลกในลักษณะแบบนั้นแต่ใ น, นแง่ของปรมัตต์ก็คือจิตของคนเป็นอภัสราผมคือมีความผ่องใสผ่องแผ่วบริสุทธิ์ของมันอยู่ประจําแต่พอเราไม่มีวิปัสนาเมื่อมีภาามัทรสมากระทบก็เข้าไปริ้มรดของโลกด้วยการแตะแล้วก็ตันหากเกิดวันเดือนปีปรากฏขึ้น อภาสราผมก็หมดอำนาจตกลงมาอยู่ในโลกแห่งภาษาระในอคติสูตรมีเวลาน่าจะชําแหละลึกซึ้งว่ามันเป็นปรมัติต์แทบทั้งหมดแต่ว่าเขาเล่าเป็นสมมุติก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไปในอคติสูตร <c oughs> <c oughs> ช่งชวงเช้านี้เลยในมลพระจารย์กุกิทันให้พรพิมย่ย เพราะว่าเราจะได้ปฏิบัติกันที่นี่อีกหลายวันแต่ว่าที่แพร่แสงเทียนคุณจิงเขาก็ไปหาธรรมมาที่วัดดอยที่ก็บอกให้ไปรอที่แพร่แสงเทียนแขกประจําทั้งที่แพร่แสงเทียนด้วยแขกที่มาเพื่อที่จะมาฉลองปีใหม่ที่วัดดอยด้วยบอกให้ไปรวมที่แท้แสงเทียนบางคนก็มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ นี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมธาตุที่ถึงเวลาหนก็จะไหลลงกันแปลว่าเราจะอยู่ที่ไหนไกลขดาดไหนพอถึงเวลาจุดหนึ่งธรรมธาตุเหล่านี้ก็จะไหลยลงกันในช่วงเช้าที่เราสวดในเรื่องกายานุปัสสนากายานุปัสสนาถ้าหากว่าย่อจริงๆในหกหมดวดมันจะเหลือแค่สามหมวดในการทาหนังสือสวดครั้งต่อไปจะมาจะเหลือสามสามหมดวดมันจะสวดง่าย อานาปะนาะสติหมวดใหญ่ยาวหน่อยจะรวมเอาอิเดียบทใหญ่ก็ได้บทย่อยรวมกันเป็นบทหนึ่งแล้วรวมกันธาตุสีอาการสามีสองและอสุภะรวมกันเป็นบทหนึ่งให้สามบทก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อจริงในส่วนที่หลักๆในสูดดังเดิมมันน่าจะเหลือแค่อนาปนาปะนะกับ อีบทใหญ่บทย่อยอส่วนธาตุสีอาการสัิผสสองอสุภะน่าจะถูกเพิ่มมาทีหลัง <c oughs> ในสมัยการสังคายนาครั้งไหนก็ไม่รู้ล่ะเพราะฉะนั้นเองเราปฏิบัติเจริญสติดีๆเนี่ยเราไปอ่านพระธรรมวิชกเราถึงจะรู้ว่าส่วนไหนถูกเพิ่มเข้ามาส่วนไหนเป็นของจริงอะไรเนี่ยเราจะอ่านเราจะรู้อันไหนที่เป็นพุทธพจน์มันจะสัมผัสได้อันไหนที่เพิ่มเข้ามามันจะ สัมผัสไม่ได้อันนั้นเองจุดนี้เราก็ยังเข้าสื่อเข้าถึงจิตเดิมแล้วก็สื่อพุทธจิตได้แล้วก็จิตเรากจิตของเจ้าชายจิตาก็ไม่ได้ต่างกันนะอั น, นั้นเองเราให้มั่นใจว่านะการทำนี้เป็นการสัมผัสพุทธเาโดยตรงในใจของเรานะ แ, ลแล้วก็ให้มั่นใจว่าการจะ ท, ทํำทีนิดทีนิดอย่างนี้ แต่เนื่องจากว่าเรามันอยู่ในทางกลางเขารียกว่าการเผยแพร่เรื่องนี้มันเยอะเกินไปเป็นร้อยสชนักเป็นพันสำนักในสมัยขั้พุทธกาลง่ายๆพุทธเจ้าเผยแพร่เรื่องนี้สำนักเดียวสติปัฏฐานสำนักพุทธเจ้าเท่านั้นสำนักอื่นดาบทนี้คนวกบรัติอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้นอกจากพพุทธเจ้ากับสาวก แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะสี่ประธานสี่แบบสํานักนั้นสํานักนี้สานักโน้น ون, เป็นร้อยๆผ่านสํานักเราไม่รู้แยกสี่ประธานแบบไห น, นอันนี้คือความยากของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ยากเลยที่มันยากพอเราไปเอามาเปรียบมาเทียบมากาน์นนหลายจำนวนแต่ละสัปดาห์ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างแหลมคมเท่านั้นแหละน่าเชื่อถือไม่เชื่อเขาผิดนะ เขาก็ถูกแต่ถูกอีกแ ง, ง่หนึ่งมุมหนึ่งในหลยายแง่หลายมุมแต่เราลองมองในแะง่ดีก็เหมือนเพชรเม็ดหนึง่งสะท้อนเราสะท้อนแสงออกมาหลายมุมหลายแงย่แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเพชรเราก็สับสนเหมือนกันนั่นแหละตอนนั้นเองก็ในช่วงเชาวันนี้ว่ า, า, าอาจารย์กิดอจารย์เขาคิดอะไรที่ดีๆสำหรับปีนี้ท่านก็จะบอกให้เรา าการรึกษาภาคปฏิบัติให้เอาตัวธรรมชาติขึ้นมาศึกษามาดูตัวธรรมชาติตัวกายใจเนี้ยเป็นความจริงอยู่แล้ว เองแต่เราไม่เปิดดวงตาขึ้นมาดูทีนี่พอเราดูแล้วเมื่อดูยังไม่พอดูยังไม่ชัดมันก็จะยังไม่ได้คำตอบอะไรนันเราฝึกปฏิบัติ ทำการภาวนาให้เป็นวิชาการจะยากกรดจะพยายามกระโจนก็ไปสู่ภาษาที่เราปลิดขึ้นมาสภาพตรงไปตรงมาที่มันมีอยู่แล้วมันจะหายไป เจว่าคืออยู่ที่อาตมาอยู่ที่วัดพระแสงเทียนนะอยู่ที่วัดพระแสงเทียนตั้งแต่ท่านอาจารย์ท่านตั้งวัดมาปีสามอาตมามาอยู่มาปีสาหกอาตมามาอยู่ที่นั่นโดยไม่รู้เลยว่าอะไรคือรูปคือน้าอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตา อะไรคือปฏิจจสมบัติแม้แต่พระพุทธเจ้าอาตมายังเข้าใจว่ารูปปั้นที่ข้างหลังนี่แหละคือพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เข้าใจบางไม่เข้าใจมากแต่จับหลักได้ชัดๆอยู่อย่างหนึ่ง เวลาฟังหลวงพ่อเทียนก็ดีฟังท่านอาจารย์ท่านบรรยายก็ดีนอกนั้นบางเรื่องไม่เข้าใจมันจับหลักเนี่ยว่าหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าให้ทำความรู้สึกตัวอย่าเข้าไปในความคิดอย่างอื่นเนี่ยเข้าใจบัางไม่เข้าใจบัางแตมาก็ทิ้งไปเลย <c oughs> คือเรื่องอื่นๆก็คล้ายๆกับ เบืกฟ้าธรรมสมเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยมามีคนพยายามเล่าให้เราฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เจ้าของสถานที่คุณโยมปีชาอย่างนี้บรรยากาศเนี่ยคือภาพที่เราสร้างขึ้นตามที่เขาพูดให้ฟังอาจจะคนละโยดเลยนะกับเบืกฟ้าธรรมสมเมื่อเรามาเจอมันแล้วนั้นเวลาเราเดินเข้ามาเจอ มันเวลาเราเจอเบิกฟ้าธรรมสมแล้วเราไม่ได้ต้องการคําตอบนี่มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรก็บอกว่ามีโพโตโรกสองที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคุณโยมพีชาหนาถาอย่างนี้อย่างนี้เราก็พยายามคิดจะยังไงนาะน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นเงน้นยิ่งถ้าเราสรุปสิ่งที่เราคิดขึ้นว่าใช่ของจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จักของจริงเลยบางครั้งเรามาเจอโยมปีชา หือเจอบิกว่าธรรมสมถ้าเราอ่านหนังสือไหมออเราอาจจะไม่ใกล้กับสิ่งที่เราสร้างสมมติานไว้ในใจเรา อ, อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นของจริงก็ได้ทีนี้เรามาปฏิบัติทมอรตมาจำได้อยู่เรื่องหนึง่งท่านบอกว่ารู้สึกตัวอยากเข้าไปในความคิดแล้วทำให้มันตออเนือ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงล้มนอนทีนี้เวลาเรามาสวดสติปัฏฐานเหมือนกันเยือนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไวท่านบอกให้ทำนะท่านบอกให้ทำทีนี้เราก็ลองทำดูเพราะมันเป็นการทำให้มันเจริญเติบโตขึ้น กัรรู้สึกตัวบางครั้งภาษานี่มันสร้างปัญหาขึ้นในตัวมันเยอะกำหนดรู้นะรือรู้นะมีสตินะรู้สึกตัวนะคือภาษาเราเนี่ยแม้ท่านพยายามบันยับให้ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังยากอยู่นะมันต้องลงมือทำ ตอนที่มาฝึกใหม่ๆทําไปทํามางงไม่แต่ว่ารู้สึกตัวนมันเป็นยังไงเฮ้ยรู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวหรื อ, อยังแต่ <c oughs> มาจําได้ว่ามีลงตารูปหนึ่งท่านพูดประสบการณ์ให้ฟังทําไปทํามางงว่าเรารู้สึกตัวหรื อ, อยังท่านก็แล้วว่า แต่มาเอามืไปไว้ข้างหลังก็ลองกำรนะกู้ท่านว่ากำเหยียดกำเหยียดเอาก็นี่ไงความรู้สึกตัวนะเอามาไปข้างหน้าสิท่านก็กำเหยียดกำเหยียดก็นี่ไงความรู้สึกตัวนะท่านก็เลยตามอันนี้แต่มาก็ได้ลองทําตามท่านมาดู ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง น, ทนับนอนเพล่แล้วก็กลับมาแส่ใจนี่จะเรียกมันว่าอะไรก็ช่างเถอะอย่างอย่างต่โกสัมผัสพื้นเนี่ยมันสัมผัสได้อยู่แล้วเคลื่อนปั๊บเวลาวางมือลงกระตุกลุกอย่างนี้อยู่แล้วคือตามย้ำตามซ้ำให้มันเกิดความคุ้นชิ น, นอันนี้ก่อนคำตอบจากการกระทเนี่มันจะเป็นคาตอบที่ไม่ต้องอิงอะไร อย่างความรู้สึกตัวนี้ต้องถามอาจารย์ไหมมาฉันรู้หรือเปล่าอย่างกระพริบตาวางมือลงในกระทบสร้างความคุ้นชินตัวนี้ซะบ่อยเข้าบ่อยเข้าการเจริญสติคือการพัฒนาสติให้มันโตขึ้นขึ้นมาจากความรู้น้อยๆที่ละขณะขณะรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้เบาๆคล้ายๆ เวลาความคิดเกิดขึ้นรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยถ้าเมื่อใดความคิดเกิดขึ้นเราพยายามเข้นว่ามันคืออะไรเพื่ออะไรเราจะเข้าไปในโลกบนแห่งเหตุแห่งผลมันจะไม่มายเกี่ยวเมานั้นการเจริญสตินี้เป็นการซ้อมอสร้างความตื่นโพรงขึ้นถ้ามันยังไม่พอมันจะยังไม่แสดงผลอะไรและจะอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งอยากรู้ยิ่งไม่รู้ เขาจะว่าพวกเราเคยเคยเรียนพิมพ์ดีดกันไหมถ้าไม่เคยก็น่าจะเห็นบ้างฝึกเจริญสติคล้ายๆฝึกพิมพ์ดีดนั่นแหละเรา จ, จะเห็นคนก็พิมพ์ดีหรือเขาอธิบายทฤษฎีล้วพิมพ์แล้วมันจะคล่องแคล่วอย่างนี้อย่างนี้ถ้าปราศจากการซ้อมแล้วเนี่ยพิมพ์ดีดไม่เปลี่ยนหรอก ความรู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยเราพียงฟอหองกอดอ้ออาโมันเกิงๆกลางๆนะปวดมือด้วยแต่พอทํ า, าไปชั่วงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พิมพ์อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปคือความคล่องแคล่วคุ้นชินจนถึงสภาพที่มันเป็นความคุ้นชินคล่องแคล่วจนเป็นมันจะเชื่อมต่อกับการฝึกฝนความรู้ตัวอันนี้เหมือนกัน นั่งรู้รู้นี่ไม่ใช่รู้ว่านะหลายคนมักจะถามเวลากวาดขยะ ก, ก็รู้ว่ากวาดขยะใช่ไหมเวลารางจานก็รู้ว่าล้างจานใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่รู้ว่ารู้ว่ากับรู้สึกคนละเรื่องกันพิษตาเขารู้ว่าพิษตาเนี่รู้สึกลงไปขณะที่กระทบสัมผัสนี่ ขณะนั่งนี้แต่พกสัมผัสพื้นนี่ถ้ารู้ตรงไปตรงมาอันนี้ซ้ำซ้ำบ่อยๆบ่อยๆจะเกิดความสนิทแน่นๆเกิดความคุ้นเคยเกิดความคล่องแคล่วแล้วเกิดสภาพที่เป็นจากความรู้ทีน้อยๆซ้ําเข้าซ้ำเข้าไม่ต้องถึงจุดที่มันเป็นก็ตามแค่มันเริ่มคล่องตัวเริ่มกลับมาสัมผัสความรู้ตัวเป็นๆสดๆอันนี้ได้ สิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงจะเห็นความตื่นโพออกมาเห็นความตื่นกายตื่นใจขึ้นมาอันนี้ต้องลองทำดูต้องลองทาดูถ้าจะปฏิบัติกันจริงๆนะแต่มาได้สังเกตว่าส่วนใหญ่นะ เพราะนั้นคุณโยมปิชาเราฟังมาส่วนใหญ่จะ เ, เป็นคนที่เคยผ่านการฝึกมาบ้างแล้วได้เฉพาะวิธีการเนี่บางาัเกาหลายปีบางทันที่เพิ่งมาเคยฝึกแบบนี้แต่ก็ผ่านการฝึกหรือผ่านการศึกษามาแต่ผมคว่าถ้าเราใช้เวทีคือได้เข้าปลาอาหารที่ไม่ลำบากเอื้อต่อการภานาะได้มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงด แล้วลงมือเพ้าสังเกตตัวเองจริงๆโดยไม่ต้องยุ่งกับเหตุผลอะไรมากให้กายกระใจมันสัมพันธ์กันตั้งต่ตื่นนอนจนยังห น, น, นอนเวลาความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้ปล่อยรู้ปล่อยแล้วตกกลับมาสูน่นี้ตามยำ้ำตามซ้ำไม่เกิดความคล่องแคล่วกุนจริตต้องมาเชื่อเจ็ด ว, วันไม่พอพอที่จะเจอสภาพความตื่นโปรงที่มันหลุดออกมาจากการตรงแต่ง ที่เจงความรู้สึกตัวสดๆจะเพราะหน้านี้มันแสดงตัวคือไม่ต้องพูดก็ได้กายเวทนาจิตทำปฏิจจสมบัติอะไรก็ไม่ต้องกล่าวก็ได้ไม่ต้องไปแยกสอยว่ขาขณะนี้ฉันกำลังเจริญกายะคตาสติหรือเวทนาหรือสภาวะจิตธรรมอะไรก็ตามคือมันเป็นเรื่องที่มันโตไปตามลำดับเหมือนเหมือนศาลาหลังนี้ถ้าเราจะเผาศาลาหลังเนี่ย จุดให้มันติดสักมุมในมุมหนึ่งให้ได้แล้วมันจะลามของมันขึ้นมาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนั้นกันกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้มีอะไรเขาเ้ากล่าวถึงคนคนหนึ่งเท่านั้นเองท่านแจกออกดูสภาวะในความรู้สึกตัวทีละขณะพลิกมือขึ้นรู้ทิ้งยกมือขึ้นรู้ทิ้งกระทบทิ้งกระทบทิ้งซ้ําให้เกิดความคุ้นจินของแคบอันนี้ให้มันเริ่มติดให้มันเริ่มแม่นอย่าง ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรอย่าพยายามตั้งําถามหรือหาคําตอบกับสิ่งที่ต้องแต่ถ้าสงสัยว่าวางใจถูกไหมที่ทาเนี่ยถูกต้องหรือยังถามแล้วจัดสมพันธกรรมกระทาแต่ถ้าเอาทฤษฎีมาเทียบเอ๊ะใช่อย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมมันจะกว้างแล้วก็กระจายออกไปแล้วจะไม่ได้คําตอบ ไม่ได้คำตอบจากตัวเองคำถามที่เราสร้างขึ้นเป็นความคิดอันหนึ่งคำตอบที่ได้จากคนนั้นคนนี้แล้วเราก็มาสรุปเป็นคำตอบของเราก็เป็นเพียงความคิดอันที่สองเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อรู้สึกเคลื่อนไหวรู้กระทุรู้เวลาความสงสัยเกิดขึ้นแค่เห็นว่าความสงสัยปูดโผล่ขึ้นมาแล้วความสงสัยก็ดับ คำตอบที่ได้ก็คือความสงสัยก็แค่แสดงอาการเกิดดับมันจะง่ายมันจะรักมาสู่สภาพอันนี้ฝึกยิ่งนี้จะดีจะงางไม่หนักลองดูสิตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนนอนจับฝึกซ้อม ง, งนเล่นเล่นอยู่กับสภาพอันนี้ ตื่นนอนเป็นทิงนอนน อ, นนอนเวลาความคิดอะไรเกิดขึ้นเห็นปั๊บปล่อยเห็นปั๊บปล่อยหลบดวงอยู่กับกันกระทบสมัมผัสง่ายง่ายถ้ารู้อย่างนี้มันจะค่อยเกิดสภาพความคล่องแคล่วคุ้นจินหม่ไม่เนี่ยแค่รู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้ทิ้งบางทีความคิดก็ลากไปความง่วงก็ลากไปเมื่อขยับเข้าขยับเข้ า, ขขาจะเกิดสภาพความคิดจะค่อยๆสั้นลงพอผมมาปั๊บปล่อยผมมาปั๊บปล่อยกายกรใจจะเริ่มสัมพันธ์กัน มันจะเป็นความสัมพันธ์กันนะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเลยแต่มันจะสัมพันธ์กับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องและต่อเ น, นื่องเกิดสภาพตื่นโพลงขึ้นมาตื่นแล้วมันจะสดชื่นแจ่มใสเราต้องการฝึกให้เป็นความรู้มันคือถ้าเราได้ทฤษฎีที่ถูกต้อง มันส่งผลกับความมั่นใจในการฝึกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราฝึกซ้ำเข้าส้ำเข้าจะเกิดสภาพความตืมตัวสติปัฏฐานสีเหกันเราเรารู้สึกกับการเคลื่อนกันไหวบ่อยเข้าบ่อยเขาจะเกิดความคล่องแคล่ควนัตมาอยู่ทางเหนือยมเคยเห็นนาขั้นบันไดไหมน่าจะเคยเห็นนะคือโบราณเข า, เขาอุบายดีนะเวลาเขาเอาน้ําเข้านาขั้นบั น, นได เขาไม่ได้เอาเขาตึกแปลงมันจะเป็นหลั่มหลัลม่มลงนะเขาเติมขั้นบนให้มันเต่งพอเต็มน้องจะลดลงมาแปลงที่สองแปลงที่สามที่สีความรู้สึกกายเวทนาจิตทํานี้เหมือนกันเมื่อรู้สึกกับการขึ้นไหวรู้ปับ๊บรู้ปับ๊บเริ่มตามย้ําตามซ้าให้เกิดความคล่องแคยวคุ้นจิตไม่หมายแค่กระทบปับ๊บยังไม่ค่อยรู้เท่าไรรู้แล้วก็คิดรู้แล้วก็คิดคก็ม่วงก็ซึมเมื่อซ้ำเข้าซ้าเข้าจะเกิดความคุ้นจิตความคุ้นเคย ความคุ้นเคยนี้บ่อยเข้ า, า, ขารู้ที่เราเจิตธรรมกระทบปับ๊บไหวปับ๊บกระทบปับ๊บไหวปับ๊บหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างซ้ำบ่อยเข้าบ่อยเข้ากายกระเจียจะเริ่มคุกกี่กับสัมพันธ์กันส่วนที่เราไม่ได้ตั้งใจทําเช่นพิภตาหายใจเย็นร้อนตึงไหวลมพัดอู้บ้ามันจะปรากฏสิ่งนี้มีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เราไม่ใกล้ตัวเองเราไกลตัวเองเกินไป พอเราไกลตัวเองเราไม่รู้ว่ขาขณะนี้กำลังพิบตาขณะนี้เย็นร้อนกำลังปรากฏแต่พอเราจะทำํำเราก็จะจ้องใส่มันพอต้องใส่มันปั๊บมันจะอึดอันั้นวิธีการเจริญสตธจึงค่อยๆขยับเข้าขยับเข้าพยับเข้าให้เกิดความคุ้นเคยคุ้นเคยจนกลายเป็นความสนิทสนมเตนมาปั๊ล้างหน้าแปรงฝันกายกระจายสัมพันธ์กันอันนี้จริงสัมพันธ์กับการสอนสามวันเจ็ดวันนี้เพียงพอ ตาซ้อมจับทฤษฎีนี้ให้ดีที่ฟังมาทั้งหมดทิ้งไปเลยก็ได้แม้แต่ผมกําลังพูดอยู่นี้ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลอะไรทําความรู้สึกตัวและสลัดความคิดไปความคิดเกิดขึ้นปล่อยทิ้งตามย้ำตามซ้ำทำในรูปแบบทําให้มากๆหน่อยใหม่ๆเนี่ยเพราะกันเคลื่อนอย่างเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยมันจะสร้างความมันสร้างหมดแห่งการรู้เพราะโดยทั่วไปเนี่ย ใช่เรามีการยืนนั้นนั่งองเรามีการคู่กันเหยียดอยู่แล้วตามธรรมชาติคือเราพัฒนาไอ้รูปแบบเป็นจังหวะจังหวะนี้เพื่อให้มันไปรู้ตามธรรมชาติให้ได้เท่านั้นเองหลังจากนั้นจะสร้างจังหวะก็ได้ไม่สร้างก็ได้แต่เนื่องจากขณะเราทําเป็นจังหวะจังหวะอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่รู้เท่าไหร่อะไรทําให้ไม่รู้หนึ่งง่วงใช่ไหมสอง สังเกตวันสองวันที่เราทำมาอะไรทํำให้มันเวลาพลิกมือขึ้นเนี่ยคือจริงจริงการการพลิกการสัมผัสนี่เป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมายอยู่แล้วยากไหมพลิกมือรู้เนี่ยไม่ยากแล้วรู้ไปแป๊บหนึ่งทําไมมันไม่อยู่ไม่รู้อีกล่ะบางทีก็คิดใช่ไหมบางทีก็ง่วงแล้ว บ, บางทีก็เบื่อแล้วคนทั่วไปเนี่ย เวลาเขาต้องการคำตอบเขาต้องการคาตอบเชิงเหตุผลซึ่งเป็นทางที่เขาคุ้นเคยแต่ยิงๆการจเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้คำตอบเชิงเหตุผลนะตอนที่อาตมามฝึกใหม่ๆอาตมาสงสัยว่าตอนบวชได้สามอาสองเดือนกว่าๆอาตมาไปเล่นบัางไฟแล้ว โดดบุหรี่เล่นมังไฟแล้วมันมันโดนดินปืนแล้วเราเปิดใส่แล้วก็ทุกมากทุกแล้วก็ก็เลยสงสัยว่าเราทํากรรมอะไรเราเคยไปเผาเป็ดเผาไก่เผาคนชาติไหนไหมปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้คําตอบอันนี้ว่าเราทํากรรมอะไรทิง ไ, ได้รับผลอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยคําตอบที่ได้ไม่ได้สดคล้องกับคําถามแต่มัน พี่ขายคําถามอันนั้นเลยมันกับมันกับคําถามอย่างว่าตายแล้วมันจะไปไหนจะพยาคนก่อนแต่เวลาเจริญสติเนี่ยคาตอบที่มันได้มันกับไม่มีผู้ตายอะไรประมาณเนี้ยสิ่งมันมันไม่มีแล้วว่าตายแล้วมันจะไปไหนีอแต่ก่อนมันมาจากไหน เวลาเจริญสติมันกับได้คำตอบมันไม่ได้มีผู้ตายอยู่แล้วมันจะเป็นคาตอบอีกแบบนี้แต่คนสงสัยว่าผีมีไหมเทวดามีไหมเวลายกมือเราเป็นคนกลัวเรื่องพวกนี้แต่เวลาเจริญสติคาตอบที่ได้มันกับไม่ได้ว่าผีมีหรือไม่มีมันก็ได้คาตอบว่าเรากลัวหรือไม่กลัวมันเป็นเรื่องอีกแบบ่างไง นั่นเวลาเราปฏิบัติลองทำง่ายๆดูลองซ้อมซ้อมรู้สึกซ้อมให้เกิดความคล่องแคล่วคุ้นชินนั่นเองคือถือถ้าจะถามแล้วตอบเป็นกระบวนการทำอะไรได้ผลอย่างไรตอบได้นะเอาหลวงพ่เทียนมาเปิดให้ฟังก็ได้ว่าจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จะถึงตอนให้เราได้คาตอบอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คำตอบของเราอยู่นั่นเอง เรามีเวลาในช่วงปีใหม่เนี่ยห้าวันเจ็ดวันวางใจให้ถูกขยันทำรู้สึกตัวให้เปลี่ยนให้มันสนิทสนองกับเรื่องนี้แล้วมันจะเจอความตื่นโพขึ้นมาท่านใดมีเวลาสักห้าวันไหมจากนี้ถึงวันที่ห้ามีไหมคุณอยู่ได้กี่วัน ถึงค่วันที่สามวันที่สามมีใครถึงวันที่ห้าไหมไม่มีเนาะมีใครจะกลับวันนี้มีท่านหนึ่งมีใครจะกลับพรุ่งนี้สองท่นมีใครจะกลับมเมื่อรนนือนี้ได้กี่วันกันนี้ถึงเจ็บวันไหม อีกนะคือตะมาเข้าใจว่าถ้าเราฝึกอันนี้นี่ให้มีเวลาถ้ามีเวลาสักเจ็ดถึงสิบวันแล้วลงมือทำจริงๆจะได้คำตอบระดับหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าเรา มีเวลาสามวันสีน่วันไนก็ตามถ้าทำอย่างถูกต้องก็จะได้คำตอบลองทำจนใหม่กันว่าการซ้อมความรู้สึกตัวนี้โยมเห็นอนี้ไ้ม ใครเห็นว่าขนาดที่อาตามาชี้ให้ดูแล้วเห็นคอตัเองเรียกเปไ็นลูกตากลิ้งมึกไปเงนี้เห็นไหมไม่หลอกส่วนใหญ่พอชี้ให้ดูตัวนั้นหลอกไปนู่นเยอันนี้เอาความเข้าใจไปทำไม่ได้ต้องสร้างความคุ้นชินสนิทสนมอย่างคลีกคลนั่นฝึกซ้อมตัวนี้ให้ติดให้มันเป็นซะก่อนไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้ ฝึกซ้อมจับอันนี้จับอันนี้จะทําเล่นๆอยู่กับกิจกรรมใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยซ้อมซ้อมซ้อมเข้าจากความที่รู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างเมื่อซ้อมบ่อยเข้าไ่อเข้าให้มันเริ่มติด <S <S 1> <S 1> พอออกมาล้างหน้าแปรงฟันมันกลับเผลอแล้วมันกลับได้เองเผลอแล้วมันกลับได้เองเดินเดินอยู่แม้แต่เดินไปตลาดเดินไปอยู่ที่ทํางาน <S <S <S พอเพอเผลอกลับมาเ ท, ท้าวกระถุ่นแปะแปะรูทิมรูทิม ไม่ต้องเอาเห็นเคนแล้นนะถูกกับพิดอะไรซ้อมให้สภาพตือนโพงตัวนี้มันผดตัวมันขึ้นมาให้นะจนความรู้สึกตัวนี้มันสมบูรณ์เป็นความรู้ตัวทั่ ว, วพร้อมถ้าเจอความรู้ตัวทั่วพร้อมยิ่งเจอมให ม, ใหม่มันจะเกิดสภาพสะเทือนสะเทือนขวัญคืออา้าคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเวลาเราคิดธรรมะเนี่ย มันเหมือนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลมากต้องอลังการมากๆตอนที่มาฝึกใหม่เนี่ยอที่สัมผัสอาการแห่งความรู้สึกตัวตื่นตัวในเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนกับคนคนเคยใส่แว่นตาสีแดงแดงหรือดำดำเขียวๆอะไรเนี่ยดูโด น, น่โด น, นดูนี้ก็เห็นเห็นวันดีคืนดีสักวันเอามือเก่าหรืออะไรไม่รู้แล้วมันปัดแม่นตาตกลงนะแว่นตาสีดําหรือสีเขียวที่เราใส่มาตกลง เราเห็นอันเดิมเห็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือความกระจ่างคือเราพระพธเจ้าสอนเนี่ยทำไมให้ดูยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกกับการดี น, น, นั้ น, นเพราะตัวยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละคือธรรมะแท้ๆล่ะความรู้สึกนึกคิดที่ผุดโผล่มนาะทำไมท่านให้รู้และที่สำคัญเคล็ดลับของรูกเจ้าเนี่ยท่านบอกให้รู้เฉยๆนะไปสังเกตไหยกาย เวทนาจิตธรรมที่เราสวดไปนะคือถ้าถ้าไปดูหลายๆอย่างเนี่ยราจะมาไปเปิดพระไตรปิฎก ด, คดูคือแต่ละบทเวลาพระองค์ทรงแสดงเนะี่ยพรงแสดงกับใครและมีวิธถุประสองค์อะไรพอรุ่นหลั ง, ลงถ้าเราตัดองค์นั้นมาเติกตรงนี้เนี่ยจะยุ่มในสติปัฏฐานสี่อานาปานสติจะไม่ได้ใช่สี่กขั้นแบบเนี้ย จะแค่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สั้นรู้อยาวรู้อยากรู้ละเอียดรู้แค่นี้เองแล้วจะบอกว่ายาวะเทวะยะนามัตตายะเป็นภาษาบาลีเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่อรู้แปลไทยเป็นไทยวะคือรู้เฉยๆเท่านั้นเองปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่ออาศัย ร, รู้สิ่งสิ่งหนึ่งกําลังแสดงตัวเท่านั้นก็พอเวลาเดินเหมือนกันนั่งเนี่ย เมื่อนั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่านั่งอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างไรบทสรุปของสติปตัฏฐานไม่ว่าจะกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยท่านจะบอกวิธีทำไว้ตรงที่ว่าไม่ว่าจะดูอย่าบทดูการเคลื่อนการไหวดูลมหายใจท่านจะบอกว่ายาวะเทวะยานมัตตยะตัวนี้เป็นเป็นเคล็ดวิธีวางใจในการดูเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่อ อ, อาศัยเรานือ รู้เฉยๆหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้รู้ซื่อเวลาพลิกมือขึ้นเนี่ยไม่ต้องรับไม่ต้องบริกรรมแต่ก่อนมันมีคําบริกรรมนะยกมือขึ้นทําช้าๆตีงนเวลาหยุดก็นิ่งตีงนนิ่งเงือนกับเรายกหน่อยยากหน่อยหลวงพ่อเทียนท่านเลิกบัญญัติทั้งหมดเลิกทั้งหมดใ ห, ห้จิตปเปล่ามันแสดงตัวนั่งล้วนๆเป็นไหมนั่งเฉยๆเนี่ย ท่านจึงให้มารู้สภาพไอที่เป็นๆอยู่เนี่สัมผัสอาการเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนล้วนๆให้จิตมันคุ้นชินกับสภาพรู้เปล่าๆล้วนๆนีน่เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยเ้เวลาเรารู้การเคลื่อนไหวของของรูปนี้มันไกล้ไหวใจรู้รู้เฉยๆไม่ต้องเราเหตุเราผลไม่ต้องตั้งคาถามหาคําตอบอะไรให้จิตมันสัมผัสการรู้เปล่าๆอันนี้เวลารู้จิตเหมือนกัน เวลาความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อรู้กายเฉยๆได้เวลาเรายกมือเนี่ยชอบไหมไม่ชอบไหมเวลารูปมันเคลื่อนเฉยเนี่ยมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งการชอบหรือไม่ชอบนั่นนี่การยกมือเฉยๆเนี่ยกรรมและวิบากของกรรมถ้ามันมีเจตนามีการกระทํามีการพุ่งไปเนี่ยมันจะเป็นกรรมแล้วจะมีวิบาก เวลาขึ้นรู้เฉยๆมันจะเป็นกริยาเป็นเพียงกริยากริยาเนี่ยไม่ใช่กรรมไม่มีวิบากกรรมมันจะเป็นสภาพจิตล้วนๆอัน น, น, นี้เวลารู้รูปคือรู้กายก็รู้เฉยๆมันจะคุ้นชินมันสร้างสภาพจิตชนิดหนึ่งคือจิตที่ไม่ชอบหรือชขึ้นมาจากการรู้สึกตัวสดๆง่ายๆอันนี้รู้เฉยๆก็ทบ ร, รู้ทิ้งไปรู้ทิ้งไปรู้ รู้ไม่พยายามที่จะเคียนเอาอะไรจากการรู้อันเนี้ยรู้ทิ้งรู้ปล่อยรู้ทิ้งรู้ป่อจิตจะคุ้นเคยกับสภาพเปล่าๆนี่คือความรักตรงสั้นพิบตาดาล้ว น, วนหายใจุล้วนว น, นั่งนล้ว น, วนมันจะเกิดความตื่นความสดเฉพาะนั้นขึ้นมาทีนี้เวลาจิตทํางานเช่นความคิดมันผุดโผล่ขึ้นมาเวลารู้ๆเฉยๆเวลานานความคิดมันโผล่ขึ้นมา มันก็จะรู้เฉยๆมันกันถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตโดวยเฉพาะเรื่องที่เราเสียใจความผิดพลาดบางทีก็เศร้าหมองเสียใจห ร, รือคาดหวังกับเรื่องอนาคตยิ่งเรื่องที่มันยุ่งยากมันจะหนักเวลาเรากระโจนเข้าไปในความคิดจริงๆความคิดไม่ได้ทุกข์อะไรเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งที่วุ่นวายขึ้นมาเฉยๆเมื่อใดก็ตามถ้าเราเข้าไปในเรื่องน มันจะมีน้ำหนักนั้นถ้าเราฝึกคุ้นเคยกับการรู้รู้รู้รเปล่ปาๆเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้รู้เฉยๆเวลาความคิดมันเคลื่อนรู้ออกมามันจะถูกรู้เฉยๆไม่ผลักไม่ดันอะไรมันจะง่ายมาก <c oughs> ง่ายรอเปล่า <c oughs> ง่ายไหม <c oughs> จริงๆนะมันยากเพราะว่ามันง่ายเกินไป นะฮะพิบตาตรงไปตรงมาเดินเฉยเฉยนี่ยตรงไปตรงมาจิตมันจะคุ้นเคยกับสภาพเฉยเฉยรู้เฉยรู้มาเตียงกันว่ารู้ซืซื่อรู้และซื่อซื่อนี่นะรู้และซื่อซืรู้ซื่อรู้เฉยเฉยนะภาษาบาลีรู้คือสติเฉยเฉยคืออุเบกขาในการที่เราทําเนี่ยองค์ทำของการรู้สึกตัวเนี่ยคือมีสติและอุเบกขาตั้งแต่ต้นจนจบ ในส่วนการเห็นรูปก็เห็นเฉยๆเวลาจิตที่มันทำงานขึ้นมาเวลาความคิดผุดโผล่ขึ้นมามันก็จะรู้เฉยๆมีสติเรื่องเวียดขาสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏต้องผ่านไม่ลักไม่ดันอะไรแต่ใหม่ๆถ้าเรากำลังของความรู้สึกตัวยังไม่เพียงพอเนี่ยอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นยังจะย่ำยีจิตใจเราอยู่นัน สามวันห้าวันที่อยู่ที่นี่ท่านลองสร้างความคุ้มชินชนิดหนึ่งความคุ้นชินเป็นความรู้สึกตัวเราทั่วไปเนี่ยเดินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้เพราะว่านั่งอยู่ที่นี่ก็คิดเรื่องอื่นกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเราก็เข้าไปสู่เรื่องของความคิดสักหน่อยปวดขาขึ้นมาค่อยรู้รู้ด้วยความอึดอัดด้วยเวลาปวดบีบคั้นขึ้นมาปั๊บเกิดความไม่พอใจตนาเข้าไปแทรกพอมลืมขี้ใคร <c oughs> พอสบายก็ตัณหาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าปราศจากการรู้สึกตัวลงไปแล้วเนี่ยการดู <c oughs> การรู้ <c oughs> การเห็นไม่นี้ตัณหาและทิฏฐิจะทํางานตลอดมีเรามีอาการของเราเวลาปฏิบัติถ้ารู้สึกตัวสดๆเฉยๆง่ายๆายายตรงๆอิตารู้เกิด น, น้ำไหลรู้เคลื่อนไหวรู้เนี่ยมันจะเห็นแต่อาการ ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอย่างเรานั่งนานๆปวดขาตึงๆที่ขาภาษาจำเป็นสำหรับสองคนขึ้นไปที่จะสือ่อถึงสิ่งๆ่งแต่สำหรับตนเองอย่าใส่ภาษาให้มันนั่นลงก่เดียนจึงต้องว่านั่งหนอปวดหนอให้เห็นอาการที่มันนำลงแสดงตัวอยู่แค่นี้ก็พอ อาการเคลื่อนจบ ก, การเคลื่อนจบปวดเมื่อยตึงไม่เจ็บถ้ามันปวดสมควรแต่การเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ต้องเอาเหยียดเอคนควรเปลี่ยนหรือยังยังไม่ถึงห้านาทีเ อ, อ้ยยังไม่ถึงชั่วโมงยุ่งทำให้ซับซ้อนทุกวันนี้ฝึกหรือเทคนิคมันซับซ้อนเกินไปเลยทำให้เรื่องตรงไปตรงมายากขึ้น จิตที่มันคิดผุดพายขึ้นมาก็เหมือนกันในความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวที่มันสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> มันจะทําให้เกิดสภาพตั้งมั่นอยาการเฝ้าดูถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะบุกดูดเข้าไป <c oughs> ตื่ขึ้นมาง่วงเงียหดหู่ซึมเศร้าทำ <c oughs> ไมซึมเศร้าหดหัวเดี๋ยวก็โจรเข้าไปสู่ความคิดความฟุง้งจิตของปุถุชนมีสองภากแค่นี้แหละ แต่ <c oughs> ก็คิดเรื่องนูง่นนู้เตลิดออกไปพอไม่คิดป็๊บก็ซึมหดหูทึมทึ่นั้นการรู้สึกตัวนี้มันจะทำให้เกิดสภาพอยู่ใกล้ๆกลางๆไม่ลงไปสู่ความซึมหดหูหรือไม่เตลิดเข้าไปในความคิดมันจะทำให้จิตมีที่ตั้งพอมีที่ตั้งแล้วมันจะเกิดสภาพการดูการเห็นเย็นรอนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดมเมื่อยเพรียที่มันมีอยู่ในรูปนั้น มันมีแต่อาการความรู้สึกนึกคิดที่วุ่นวาตอนนี้สบายใจไหมสบายใจความรู้สึกตัวนี้จะเกิดทําให้เกิดสภาพการเฝ้าดูการเฝ้าดูรู้รู้ตัวอันนี้สติมันตั้งตั้งอย่างลงเนียมันจะเกิดสภาพธรรมวิจัยะวิจัยธรรมไม่ใช่คิดธรรมนะองค์ธรรมแห่งการรู้แจ้งมันจะเชื่อมต่อกันไม่ใช่ออกมาลอยลอยมานั่งคบคิดธรรมแต่ธรรมวิจัยะมันจะเชื่อมต่อกับสติเคยฟังไหมพระ่านสวดพระจง พุทังโกสติสังฆโตัวธรรมานางังวิจิตรุตถาเรียมปิติเวลาไปมองคลนะจริงๆธรรมะมันไม่ได้โดดๆดดมานั่งคิดทำนะ่ะมันยังอยู่มันยังไม่ใช่องค์แห่งการรู้แจ้งเป็นเพียงรวบรวมข้อมูลเพื่อจะวิสูกระบวนการนั้นเมื่อใดก็ตามคุณเรื่องรู้สึกตัวกายกระจเจี๊ย่วงสัมพันธ์กันด้วยว่าสติมันเริ่มตั้งพอสติเริ่มตั้งปั๊บเนี่ยเมื่อกายกระเจี๊อยู่ได้กันมาขึ้นจะเกิดสภาพสอดสองคือเริ่มเห็นว่าขณะนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งอาการทางกายเกิด อาการทางจิตคารอะไนี้สบายไม่สบายคิดหรือไม่คิดมันเห็นเห็นเมื่อเห็นไปเห็นมาตัวเนี้ยต่อกันเข้าต่อกันเมื่อมันต่อกันเข้าความรู้สึกตัวเนี้ยความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรเป็นวิริยะเมื่อกายกับใจเริ่มสัมพันธ์กันได้ระดับหนึ่งกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้ความคิดไหววูบขึ้นมารู้ปล่อยรู้ปล่อยต่อเนื่องเข้าต่อเนื่องเขาอาจจะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะเกิดสภาพความคลี่คลายปลอดโปร่งปราโมชขึ้นมา เกิดปีติน่ะอิ่มคล่องตัวหลายๆท่านทำสามสีวันตื่นขึ้นมาปั๊บตีสามเมื่อกี้ก่อนก่อนตื่นก่อนละครจะเกิดภาวะสดชื่นเบิกบานปร่งเบาเอิบอิ่มคล่องตัวเคลื่อนตัวไปตาใสหูใสได้ยินจะตื่นมาเราจะยินเสียงไก่ขันเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรเสียงนกน้องจิงหริดร้องทั้งวัน แต่คุณไม่ได้ยินมันหมดสนทนาภายในเรามันมากเกินไปตาเราจะไม่โปร่งหูเราจะไม่โปร่งเมื่อใดก็ตามที่กายกระจายสัมผัสงานปักเนะี่ยสภาพใกล้ๆจะแสดงตัวสดงามมากเลยตาเห็นชัดหูได้ยินชัดถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเนะี่ยหูดับตาดั บ, ด บ, ดบอันนี้คือจ้องข้างในเกินไปทือท่อๆอยู่ไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลยไม่ได้เห็นภาพเฉพาะหน้าเลย ถ้าเข้าไปในความคิดคุณก็จะไม่เห็นกระดานข้างหน้าหรือถ้าคุณจ้องใส่ข้างในเกินไปคุณก็จะไม่เห็นนั่นความรู้สึกตัวนี้จึงไม่เข้าไหนไม่ออกนอกมันจะอยู่กลางกลรูปแผ่วๆในความรู้สึกตัวที่เชื่อมต่อต่อกันเข้าต่อขังนอกจะเกิดสภาพปีติปราโมชความรู้ตัว อย่างคลี่คลายระหว่างกายกระจายเรื่องสัมพันธ์จะเกิดสภาพสัมมาสมาธิแท้ๆเนี่ยสัมมาสมาธิหรือสมาธิแบบเคลื่อนไหวแบบรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่การนั่งหลับตาทํานานๆแต่มันเป็นการที่จิตไม่ถูกความคิดลากออกไป <c oughs> กายกระจจะสัมพันธ์กันอย่างสบายๆเหมือนนั่นได้ดุลย์อย่างสมัยเป็นเด็กเคยเล่นนะ่นนี่ไปเลี้ยงควายเอาไม้ตั้งเหมือนถ้ามันเอ็นมันจะล้ม ประอจิตของเรานี่สังเกตนะนี่ถ้าจิตของเราคิดไปเรื่องอนาคตเหมือนเหมือนกับเกเห็นป้าที่ตอนถ้ามันตอนเช้านี่เงามันก็จะไปอางถ้าตอนสายจะไปองไมีช่วงหนึ่งที่พระคิดเที่ยงวันจริงๆที่เงากับกายในสนิทกันเต็มเลยความรู้สึกตัวนี้เหมือนกันเมื่อใดเราพัดออกจากความรู้สึกตัว ต, วตรงไปตรงมาป๊บนี้ มันจะเข้าสรุส้รวความคิดเหตุผลดันดีมันจะเอียงไปเอียงมาเมื่อไหรเราขยับเข้าสร้างความกุญจิตรู้ทิง้งรู้ปล่อยรู้ทิง้งรู้กายก็รู้ทิง้งรู้ปล่อยรู้ทิ้งรู้ปลอพอ <c oughs> ความคิดปวดโผล่ขึ้นมารู้ปั๊บเห็นปับปล่อยขยับกลับ ม, มาอยู่กับกันเท่นไหรกระตุกออกกระตุกออกมันจะเกิดสภาพความสมดุลที่กายกระจายไปด้วยกันพอดีพอดีมันจะเกิดสภาพปโปร่งเบาคลี่คลายอ่อนโยนมันไม่ได้คุมกายคุมจิตตนเองอยู่กับกาย แต่มันจะเกิดภาวะสมดุกลกายกับใจไปด้วยกันพอดีโดยไม่ต้องประคับประคองมากความรู้สึกตัวที่ลักษณะพลิกรู้หลงพลิกรู้หลงเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมพิบตาขึ้นใดสิ่งที่ไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้มันก็จะปรากฏและความรู้สึกตัวตังนจะสมดุลไม่ต้องประคับประคองความคิดที่ผุดผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ลากยาวไม่ได้ตั้งใจที่จะออกจากความคิดแต่ความคิดไม่มีกําลังที่จะลาก จิตที่ตั้งมันนั่นในความรู้สึกตัวเนี่ยพูดให้เป็นทฤษฎีมันก็จะเป็นทฤษฎีแต่ถ้าพูดให้ปฏิบัติเราจะสัมผัสอาการอย่างนี้ที่พระเจ้าวางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะท่านวางให้ทำแล้วสัมผัสไม่ใช่วางให้เราไปคิดแต่ในช่วงที่เราเรียนภาคทีส่สีคิดว่ามันอะไรเนะี่ยเท่าที่เราจะได้คำตอบได้นะั่นนั้นเวลาฝึกมานี้ เมื่อเกิดสภาพแห่งความรู้สึกตัวได้สมบูรณ์กายกระจียสัมพัน์กันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนพอเริ่มเผลอปั๊บมันจะดีดออกเผลอปั๊บจะดีดออกความง่วงแค่ียดปวพายขึ้นมาแค่แสดงตัวปั๊บมันจะดีดออกความคิดแค่โผล่ขึ้นมาเห็นปั๊จะวางออกเกิดความสุขกายกระเจียรสัมพันธ์เมื่อกายกระเจียสัมพันธ์กันมั่นคงปั๊บแกายทําอะไรใจทำอะไรนั้นเป็นความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์มันเห็นว่าชีวิตมีเพียงขณะเดียวเห็นว่า อาการที่แสดงตัวอยู่ทีนี้ความรู้สึกว่าเราเป็นนายน้ในขอได้ไหมมันจะหดลงหดลงหดลงภาคสมมุติมันจะมีบทบาทกับเราน้อยลงเห็นชีวิตมีเปลี่ยนกายกระใจรล้นล้วนเห็นแต่การทํางานเกิดสภาพที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจริงๆเห็นโผลเห็นตรงเห็นว่าขณะนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งแข้งตึงเจ็บปวดความรู้สึกทางกายทางใจเห็นอันเนี้ยเห็นอันนี้ เห็นอันนี้จะส่งผลต่อความเข้าใจถูกตรงตามธรรมชาตินี้ลงทำดูนะ <c oughs> นมีอะไรอยากจะถามไหมลองถามดูหน่อยสิถามจ้คะคะยมสงสัยว่าบางครั้งขณะเจริญสติไปแล้วก็ฟังพระอาจารย์พูดไปเนะี่ยเ้สึกว่ามาันจะ มันจะรับคำพูดจากพระอาจารย์ได้ไม่เต็มร้ออแต่แบบว่าลองหยุดนั่งเฉยเฉยมันจะรับได้ดีกว่าไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมพฟังแล้วตามอัตมาหมด <c oughs> ขาดทุนนะรู้บางไม่รู้บางคือถ้าฝึกนะเอาแบบฝึกนะไม่ได้เอาแบบวิชาการถ้าวิชาการเราต้องการรวบรวมสรุปประเด็นให้ได้ว่าอะไรเพื่ออะไรยังไงแต่ถ้าทําแบบฝึก ฟังบ้างไม่ฟังบ้างหลยดีถ้าตั้งใจฟังเพราะว่าอะไรอาจารย์ว่าอะไรแล้วหลุดจากตัวเองเลหมดเนื้อหมดตัวนี้ขัดทุนแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่าสภาพแห่งการรู้เหมือนเรื่องไหนที่มันสมบูรณ์มันไปกระทบแกแล้วมันจะลองรับของมันเองเหรอกงั้นยกมือไปด้วยฟังด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ใช่ไหมแต่ทำเยอะ บ้นที่เวลาเรีจงโปรยจะเปิดธรรมะฟังไปด้วยอันนี้ผิดหรือไม่คะไม่ผิดไม่ถูกอะไรหรอกแต่สังเกตนะถ้าทําได้ดีจริงๆไม่ควรฟังหรอก<ช>ถ้าเราฟังฟังไปฟังมามันติดฟังถ้าเมื่อไหร่ได้ยกมือด้วยฟังไปด้รู้สึกสบายแต่พอมาดูอาการจริงจรรู้สึกหนักอึดอัดทําได้ไม่นานถ้าเปิดฟังคอคอมันเราก็จะติดภาคสุตตะจินตะอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกได้ดีนะ ยิ่งเกิดความดิ้นรนกดแก่งปั่นป่วดง่วงมากเบื่อมากฟุ้งมากปวดเมื่อยมากแล้วเรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่ากาใจนี้บังคับไม่ได้จริงๆมันแสดงอาการจริงๆถ้าเรากบมันมก็เหมือนชาบ้านนั่นแหละเบื่อเบือเส้นเส้นฟุ้งฟุงเปิดเพลงฟังก็ดูสบายขึ้นนักปฏิบัติธรรมก็มันยกมือไปยกมือมานั่งสมาธิอึดอัดเปิดลงพ่อฟังลงเหมือนกันแค่เปลี่ยนอารมณ์ แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายัางต้องการทฤษฎีที่ถูกต้องเพื่อเพราะกันได้ยินได้ฟังที่ที่มากพอเนี่ยจะส่งผลต่อความความมั่นใจต่อการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติได้สักขนาดรู้สิตัวเป็นแล้วเนี่ยลองทิ้งไปลงมือทําแบบล้วนๆให้อาการกายอาการใจมันแสดงความปั่นปวนปวดเมื่อยอึดอัดกัดเครื่องฟุง้งบางทีนี่เคยเขาเก็บอารมณ์สี่ห้าวันฟุง้งตลอดเห็นแต่จิต ที่เห็นว่าจิตฟุ้งและสั่งไม่ได้นั่นแหละปัญญามันจะเกิดเราจัดการอะไรเขาไม่ได้หนอกเมื่อเรารู้จริงรู้สึกตัวจริงๆเราจะได้รู้แค่ดูเฉยๆจัดการได้ยังไงกายก็จัดการไม่ได้จิตก็จัดการไม่ได้เพียงแต่มันแสดงตัวตามธรรมชาติการรู้สึกตัวเพื่อถอดออกมาดูยกระยะห่างออกมาดูดูแล้วก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเคลื่อนไปขึ้นมาเคลื่อนไปขึ้นมาแล้วจะจัดการอะไรไม่ได้ ฟุ้งซ่านผิดหรือถูกใช่ฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งซ่านไงสงบผิดหรือถูกไม่ผิดไม่ถูกสงบก็แค่สงบไงถ้าเรารู้สึกตัวแล้วไม่มีผิดมีถูกในอาการมันคืออาการนี่คืออาการรางกายนี่คืออาการทางจิตไม่เย็บเอาอะไรว่าผิดวัตถุกความรู้สึกตัวนี้จะถอยออกมาเป็นผู้เห็นอาการเหล่าเนี่ยปวดเมื่อยผิดหรือถูกไม่ผิดหรอกใช่ ปวดเมื่อยกับปวดขี้ว่าเดียวกันบางอย่างปวดก็บรรบัตบางอย่างก็เฝ้าดูอาการน้งกายเคลื่อนอยู่อาการนางา้นาารนงจิตเคลื่อนดูมันเคลื่อนนักแสดงแสดงสภาพบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดให้เห็นถ้ารู้สึกอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยจิตจะเข้าใจตรงตามธรรมชาติถ้าเราเปิดบล็อกลงพ่อเทียนจึงไม่ให้ห้ามก่อนคิดไม่เอาเหตุออก่อนไปใกล้ไปแก้อะไรมันตั้งใจไหมหลยหลายท่านอาจจะฟังหลวงพ่อเทียนมามากพอ ทฤษีของหลวงพ่เตียนจะมีความแตก ต, ต่างจากโดยทั่วไปอยู่มากอย่งไม่นั่งนิ่งไม่มีบริกรรมไม่การยกเหตุยกผลอย่างเช่นถ้าจิตมีโทสะขึ้นมาหลวงพ่เทียนไม่ได้บอกว่าพิจารณาเมตตาสิหรือจิตมีราคะ ข, ขึ้นมาจงพิจารณาอสุภะน่าเกลียดอย่างนั้นนะหลวงพ่อเทียนไม่เคยให้ยกอารมณ์จริงๆเวลาเราฝึกเราจะเข้าใจหรอกเวลาเราคิดอะไรไม่ดีเช่นคิดโกรธก็เหมือนยกอันนี้หนักมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิดเมตตา อย่าไปอะไรเขาเลยนะเราก็เกิดรวมทุกเกิดแย่เจ็จบตายเขาคงเขาเจเราผิดนะจับอันนี้มันนก็เครียมาจับอันนี้มันเบาลงแก้อะไรไหมไม่ได้แก้หรอกอเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านี้เคเการคยเคยทุกข์มาแล้วก็พยายามพิดเจรน า, นานแต่รู้สึกมันไม่หลุดสักทีแต่ว่าที่มาวันนี้ยที่มาที่เนี้ยที่เรารู้สึกตัวหาย ม, มันอย่างนี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าพีแรกมันจับอันนี้อยู่แค่ถอยมือออกมาไม่ต้องมาจับอันนี้ก็ได้แต่ว่าสําหรับกรรมวิธีในการเบี่ยงอารมณ์สําหรับคนที่ยังไม่มีการฝึกรู้ตัวได้เป็นเนี่ยก็ควรทําไม่งั้นอกุศลกรรมมันจะทะลุออกมาทางกายทางวาจามันอยู่ในระดับเสียงธรรมจริยธรรมหรือระดับข่มจิตสมถะ า, ารมณ์แต่ถ้าเราฝึกอันเนี้ยที่ ด, ดีก็แค่ความคิดชนิดหนึ่ง คิดจ่วก็แค่ความคิดชนิดหนึ่งไม่ต้องแก้ไม่ต้องจัดการอะไรรู้สึกตัวจะเห็นเมื่อเราเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยอดีตสัญญาอย่างเช่นเราเคยทําอะไรไม่ดีบันผุดขึ้นมาปีสามหกกันตมาปฏิบัติไดสักสี่ห้าเดือนโดยประมาณฝึกยกมือไปยกมือจิตมันจะรีอดีตพั๊พักพยกมือเนี่ยมันความคิดโผป่พักพักพัรีแบบย้อนหลังไปเลยมันมีภาพหนึ่งที่ ยกมือเออตอนนั้นเดินจงกรมอยู่เนี่ยคิดถึงตอนนั้นที่ภาพคงอยู่แม่นั่งร้องไห้ตอนอือัตมาขับรถไปชนไปชนกันแล้วก็เสียใจก็ไม่รู้จะทำไงเป็นไบรล์ลุนก็ไปกินเหล้ากินเหล้าไม่กลับบ้านสองสมวันอยู่แม่ตามหาเราหลับตื่นมาเห็นอยู่แม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างตอนนั้นเราก็เสียใจนะตอนที่เราเป็นคนอยู่แนละ้วทีนี้พอมาเป็นพระมาเดินจงกรม ย, ยกไปยกมาผ้ามิ้มันโผล่ขึ้นมานี้น้ำตามันไหลาาพากลยเข่าอ่อนนี่ เราไม่นะ่าทำอย่างนี้เลยนะมันมันต้องก็คิดต่อบสิบอุบายกูจะทําดีกับพ่อก็ไม่อานมากแน่อ้าวอ้าวก็เป็นความคิดนี้แล้วมันก็หลดดไปทีนี้พอยกมือไปมนาะภาพนี้โผลมาอีกมันจะมีอาการอูบหน่อยนึงแล้วก็ดับต่อไปเหลือแต่ภาพล้วนๆโผลผ่านโผลผา น, ผานไม่ได้จัดการอะไรเลยจิตนี้มันจะจืดออกจากอุปทานในเรื่องนั้นนะความรู้สึกตัวนี้จะถอยความรู้สึกตัวเป็นน้ํายาชาําระจิต แต่ก่อนนี้เคยพุทพจน์สามบทที่เราถือว่าเป็นหลักการนะไม่ทําบา ท, ทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมชาระจิตเนี่ยมันคืออะไรพอมารู้สึกตัวจะเข้าใจเลยกระบวนการการถ่ายถอนความยึดถือในการปวงแต่งที่มันปวดโผล่ขึ้นมาจึงไม่ใช่การไปห้ามไปบล็อกไม่ให้จิตคิดหรือพยายามสร้างเหตุสร้างผลที่ชอบทําให้แก่ความคิดเพียงแต่รู้สึกตัวแล้วถอยออกมาเห็นว่าความคิดเป็นเพียงลมที่พุ่งบวมขึ้นมาเท่านั้นเอง ความรู้สึกปืนมันจะเด็ดขาดขนาดนี้เวลาเราเห็นรูปก็จะเห็นรูปเฉยๆพอมาเห็นนามก็จะเห็นนามทํางานเฉยๆเหมือนกันไม่ใช่ไปิบล็อกไม่ให้เขาเคลื่อนตัวหลายท่านนั้นจะทําสมาธิเนี่ยไม่อยากให้มันคิดเราเข้าใจว่าอย่างนี้โดยทฤษฎีคนสัตว์ทั้งหลายลิเป็นขันห้าใช่ไหมมีคณะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณพอเราเห็นสองขนานความคิดมันมากเราเลยเปิดบล็อกไม่ให้มันคิด ทำได้ยังไงคนไม่ตายทําให้ขันมันเหลือสี่ขันไม่ได้กันห้าก็คงเป็นกันหน้าสิ่งที่ต้องถอนคืออุปทานในขันหน้าไม่ใช่การไปทําให้ขันห้ามันหายไปขันในขันหนึ่งให้มันจําอะไรไม่ได้ไม่ให้มันคิดผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกแนละ้วนั้นการทําความรู้สึกด้วยจริงไม่ห้ามอะไรไม่จัดการอะไรแค่รู้สึกไปทําง่ายๆนะวันนี้ทั้งวันนะไม่ต้องเอาเหยียดเอาผลอะไรเดินไปไหนมาไหนการเคลื่อนการเปลี่ยนยีบทเป็นเพียงเปลี่ยนให้คลี่คลายเลือดลงมันทําดี เราจะนั่งยังไงจะเดินยังไงเนียเพียงแต่สาระก็คือรู้สึกรู้แบบเนี้ยใหม่ๆกระทบทิ้งกระทบทิ้งอย่ารู้เยอะคนเดิมต้นใหม่ต่อก็าตามกระทบสัมผัสทิ้งทิ้ ง, งเมื่อรู้ทีละขณะขณะสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยความรู้ทั่วพร้อมจะปรากฏ ล, ลองดูนะลองดูไม่มีอะไรผิดอะไรถูกการการยุบเหมือจะไวจะช้าจะเร็วก็ตามเราต้องการปลุกจิตให้ตื่นรู้ตัวตื่นรู้ทิ้งรู้ทิ้งไม่ใช่ถ้าเรารู้เราก่อ เกาะรูปเกินไปมีจิตจะถูกล็อกสงบก็จะสงบทื่อเวลาออกนอกรูปแบบปั๊บมันจะหลุดมันเหมือนกับจิตมันถูกขังเหมือนไก่ที่ถูกขังมันอยู่อยู่แต่ว่าเปิดสุ่มเปิดกรงแล้วมันดีดออกแต่ถ้าเราค่อยๆตะล่อมดูทิ้งดูทิ้งดูทิ้งกระทบมือวางปั๊บวางมือลงสบายสบาแตะทิ้งแตะที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเขาจะค่อยขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าต่อไปก็จะจับปั๊บเนี่ยมันจะทันการจับแต่เรื่องเอาวัด่างนี้ปั๊บ จ, จแล้วมันจะง่ายตาเป็นปัจจุบันรูปที่ปรากฏเป็นปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เราหลดเข้าไปมีฐานเดียวคือธรรมารมที่เกิดกับจิตเน่กนั้นรูป ก, ก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีมันตรงไปตรงมาถ้าปฏิบัติเปลี่ยนอุมหนก็เป็นขันปฏิบัติทำรู้สึกง่ายๆดาๆพื้นๆอย่านนะลองทาดูนะแล้ไม่จาเป็นจะต้องทำ ถ้าเราแสสายเกินไปเราก็จิตออกนอกนั่นเราค่อยขยับเข้ามาแต่ถ้าเร า, านี่การเจริญสติไม่ได้ทำเอาสวยนะไม่ได้ทาให้ใครมาดูว่าเราทำถูกทำผิดอะไรทำเพื่อการศึกษากายใจตนเองเท่านั้นเองบางทีจังหวะถ้าเรายกมือเปนานๆรู้สึกแช่แช่แช่สังเกตว่าหนึ่งถมสองความคิดชักยาวเปลี่ยนจังหวะสลับใหม่อาจจะยกมือซ้ายก่อนก็นได้ แล้วจิตมนจะค่อยๆดิบออกดิบออก